พบมตนอย่างนี้เนี่ยมันยากนักยากหนาเมื่อโอกาสอำนวยให้อย่างนี้แล้วก็ควรตั้งอกตั้งใจทากันถ้าเราไม่ทำความเพียรละกิเลสนี่เราก็พ้นทุกไปไม่ได้ต้องให้สอนตนอย่างนั้น คนไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อหน่ายต่อทุกข์ก็จึงได้ประสบกับความทุกข์อยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดเพราะทุกข์มันมาจากเหตุคนไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์มันก็มีแต่สะสมเหตุแห่งทุกข์ให้ตัวไว้ทุกข์นั้น ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทุกกายทุกใจแต่ทุกกายนี่เราก็แก้ไขมันพอเป็นไปได้พอประทังชีวิตไปได้แต่ทุกใจเนี่ยยากเต็มทนถ้าบุคคลใดไม่มีความเพียรบากบั่นเอาจริงจัง มันก็ยากที่จะบรรเทาทุกข์ทางใจได้เมื่อทันหามารบกวนเอาก็ดิ้นลนกระสับกระายอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจทางต่างเนี่ยความอยากอันนี้ เมื่อบคุคคลไม่ระงับมันมันก็พาทให้แสวงหาสิ่งที่ตนรักใครพอใจต่างๆการแสวงหาอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่คนมีบุญน้อยก็ยังว่านั่นแหละอยากได้อะไรแสวงหาอะไร หาเอาแทบแ ย, ย่บางทีก็ไม่ได้ทำนั่นแหละบางทีก็ได้มาก็จะได้มากแตแสนยากแสนลำบากนี่ต้องพิจารณาดูให้ดีอ้าวแล้วทำไมคนยังชอบมาเกิดหลายแท้ถ้าว่าโลกนี้เป็นทุกข์นะ ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เบื่อหน่ายมาเท่ชาติก่อนนู้นแหละเกิดมาชาติได้ก็มายินดีอยู่กับโลคอันนี้ก็คือยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นเองแหละไม่คิดพยายามที่จะถอนตนออกจากความรักความใคร่เหล่านี้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ต้องแสวงหาเมื่อมันได้มาแล้วก็มาดูแล ร, รักษาต้องมาผูกพันกันอยู่ทีนี้กระทำกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันพอต่างคนต่างหมดอายุสังขารแล้วก็ไปทำยถากรรมบุญกรรมบาปกรรม น, นำไปตกแต่งให้เกิด ในพบในชาติใหม่ต่อไปอีกก็ไปสเสวงหารูปเสียงของเก่านั้นแหละอีกอยู่อย่างนี้ที่ร่วงแล้วมาก็ดีแล้วลองมาพี่นาดูในปัจจุบันนี้สิว่าเราได้อะไรจากความผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นนะและแล้วเราเราได้อะไรติดตัวมา เมื่อพิสูจดูแล้วมันก็มีแต่ตัณหาในน่ะติดสอยห้อยตามดวงจิตนี่มาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสนั่นมันไม่ได้ติดตามเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็แตกดับทําลายลงสูกพื้นดินนี่แหละมีแต่ตัณหาในน่ะมันติดตามดวงจิตมาอุปาทานน่ะความยึดมั่นถือมั่นน่ะนั่นแหละ มันเป็นตัวกรรมนำดวงขีดที่ให้มาเกิดเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าขึ้นมาอีกแล้วดวงขีดก็เลยมาอาศัยขันห้านี้อยู่เหตุนะั้นอ่ะมันถึงเป็นทุกข์เพราะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาดูมันเป็นความจริงนะที่พูดมานี่นะ ผู้มีปัญญาทางหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นพระองค์เห็นโทษแห่งขันทั้งห้านี่ความยึดมั่นถือมาในขันหานี้มาแล้วพระองค์จึงลีเพ้่งสร้างบุญบา ร, รมีเพราะว่าผู้ที่จะถอนตนออกจากขันหานี้ได้ต้องเป็นผู้มีบุญบา ร, รมีเก่กล้าสมควรหรือว่ามีบุญบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์นั่นแหละ การสร้างบุญกุศลนี่มันเต็มได้เหมือนกันนะทำไม่ถอยไม่หยุดไม่ยัง้งเอาทำไปเมื่อชาติใดไ ด, ได้ทำบุญกุศล ม, มากบุญบมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้นะเมื่อบุญกุศลมันเต็มที่มีกำลังเต็มที่แล้วมันก็ขจัดตัณหาความดะยานอยาก ต่างๆในโลกนี้ออกไปจากดวงกิจนี่เพราะว่าดวงกิจนี้เมื่อบุญกุศลหุ้มห่ออยู่เต็มอักราแล้วเต็มเปี่ยมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่อยากได้อะไรออลองสังเกตดูผู้ภาวนาหรือมันยังอยากได้อะไรอยู่ในโลกนี้นะนนถ้ามันยังอยากได้อะไรอยู่ไม่มันก็เรียวกว่าผู้นั้นภาวนาไม่เป็น ผู้ภาวนาเป็นมันตรงละความอยากความบาดธนาในโลกนี้อย่าให้ปล่อยให้จิตมันวิตกวิ จ, จารไปในเรื่องที่สิ่งที่ตนชอบอกชอบใจต่างๆในโลกเมื่อรู้จักตัณหาเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์แล้วเราก็พยายามประคับประคองตัณหานี่ให้ดำเนินไปแต่พอเหมาะพอดีตามเพศตามพุงของตน เพศของครึงหัดยังละตันหาอย่างกลางหรืออย่างละเอียดไม่ได้ก็ต้องประครับประคองละตันหาอย่างยางยาบที่มันจะบรนดานให้ไปทำบาปกรรมต่างๆมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลกาวมุสาวาตกดื่มสุราเมรัย กัญชายาฝิ่นเฮลรอีนของเสพติดในโทษต่างๆหมูเนี่ยตัณหาประเภทใดมันจะนำดวงจิตให้พอใจไปทําบาปมีปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะเราต้องละตัณหานั่นเสียก่อนอื่นทั้งหมดอย่าไปสั่งสมให้มันมากขึ้นเลยตัณหาประเภทนั้นน่ะมันทําให้ไปทําบาป เมื่อทำบาปใส่ตัวแล้วบาปแล้วมันก็ติดถอยห้อยตามไปให้ผลในเมื่อมันได้โอกาสเมือ่อใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้นให้ผลเป็นทุกข์อ่ะดังนั้นแหละคนเราจึงได้สวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้มากมายก็เนื่องมาแต่ไม่ละตัณหาประเภทนี้แหละ มีแต่อ้างโน้อนอ้างนี้ว่าไม่ทำก็ไม่ได้กินอ้างไปแต่พุทธพื้ไปอย่างนั้นเลยแต่ความที่ไม่มีปัญญาไม่คิดที่จะละมันไม่เห็นโทษของมันคนส่วนมากนะมันจะทุกข์ก็ยอมเอาอย่างนี้นะยอมให้บาปกรรมมันนาไปสู่ทุกข์ยอมหมดเลยไอ้นักปราชญ์ทั้งหลายถ้าไม่ยอมอะ ต้องหาหนทางหลีกเลี่ยงจากโทษนั้นนั้นบาปนั้นนั้นให้ได้แม้จะครองเรือนก็ตามครองวัดก็ตามก็ผู้ครองวัดผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็ต้องคิดว่าเราหลีกจากการกระทําความชั่วในการอยู่ครองเรือนมาเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ มันมีโอกาสที่จะได้ละความชั่วทำความดีได้มากเนื่องจากว่าชีวิตมันเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านเขายินดีอุปถ ร, รมบํบำลุงถ้าภิกษุสมณเณรประพฤติดีประพฤติชอบตรงตามธรรมตามมีในไม่แสดงความชั่วให้ปรากฏออกไปในชุมชน ผู้มีศรัทธาในบาวรพุทธศาสนาผู้ครองเรือทั้งหลายเขาก็อาศัยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีนี่แหละเป็นที่ระลึกในใจเขาเวลาเขาทุกข์ร้อนอย่างไรมาเขาก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประพฤติประพฤติชอบตั้งอยู่ในความสงบก็ทำให้เขาอบอุ่นใจได้อยู่นี่ ดังนั้นพระสงฆ์สามเณรเราต้องให้นึกในเรื่องนี้ให้มากทีเดียวเพราะชีวิตของเรามนเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเราต้องทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายว่าต้องทำตัวให้เขาเคารพย้ำเกรงนับถือเอาเป็นที่พึ่งที่ทะระลึกเราควรนึกแต่แันเรื่องนี้เพราะว่าเรามันเกี่ยวข้องกันนี้ ไม่ใช่ว่าเราบวชมาแล้วเราจะอยู่โดยลำพังได้ไม่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ไม่มีทางนักบวชเนี่ยเนี่ยต้องคิดให้มากข้อนี้ก็ดีเมื่อผู้ใดคิดพิจารณาแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยเครื่องอาศัยที่ชาวบ้านเขาบริจาคมา เช่นนี้มันก็ไม่เกิดโทษอะไรในขณะที่บริโภคปัจจัยนั้นๆอยู่เราก็ต้องพิจารณารู้เท่าให้เห็นว่าเป็นแต่เพียง ส, สภาวาธรตมเท่านั้นเองอาศัยกันยวอาศัยบุญกรรมบาปกรรมหล่อเลี้ยงรักษารูปกายอันนี้ไว้เมื่อหมดเขตของบุญกรรมบาปกรรมนั้นแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแตกดับทำลายลงดังนั้นจึงไม่ควรใช้รูปน้ำอันนี้ไปทำความชั่วเพราะว่ามันจะแตกกระดับอยู่นี่ใช้ไปทำทำไมเพราะกวามชั่วที่ทำแล้วนั่นกายวาจามไม่ได้รับผลนะใจท้งห่างนี่เป็นผู้รับผลเป็นผู้เสวยทุกทนทรมานต่างๆก็ใจแล นี่มันต้องคิดให้เห็นดังนั้นเรามารักษาจิตใจนี้ให้ดีไว้ดีกว่ารักษาร่างกายร่างกายนั้นรักษายังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีวันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนเท่านั้นร่างกายทั้งขานนี่เกาะ ร่วงไปร่วงไปลุกล้นไปหาความตายก็ฉันนั้นแหละมันปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ดวงจิตสิต้องคิดให้เห็นดวงจิตนี้ถ้าหาก็ตั้งไว้ผิดมันก็ไปสู่ทุกเปงั้นถ้าตั้งไว้ถูกมันก็ไปสู่สุคติ ถ้ารักกิเลสให้หมดสิ้นใช่จริงก็เข้าสู่ฟันิพานมันก็มีอยู่สามทางอย่างนี้แหละอทางที่จิตจะพึ่งดําเนินไปถ้าจิตไม่ฉลาดมันก็ดําเนินไปในทางชั่วนั่นแหละทางไม่ดีอถ้าจิตฉลาดมันก็ดําเนินไปในทางดี มันเป็นอย่างนั้นก็ใช้กายทำดีพูดดีไปทำแต่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสิ่งใดมันไม่เป็นประโยชน์และไม่ทำไม่พูดอันนี้เราจะต้องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาความบกพรติทางกายวาจานี่นะอย่าพากันเผลออย่าพากันเลิ่นเล้อ กายวาจามันจะปกติเรียบร้อยดีมันก็มาจากจิตนั่นแหละการรักษากายวาจาแล้วก็ต้องรักษาจิตด้วย อ, อย่าให้จิตมันหลงไหลไปตาม อ, อารมณ์ที่เป็นอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าชอบใจหนึ่งอนิธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจหนึ่ง มันมีอยู่ในโลกนี้อารมณ์สองอย่างนี้นะบันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธวิษาทั้งหลายละทั้งสองอารมณ์เลยพูดถึงธรรมะขั้นละเอียดขึ้นไปอิทธารมก็ไม่ยินดีอนิธาารมณ์ก็ไม่ยินร้าย ทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งมีสติคอยควบคุมจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้เป็นกลางอยู่ให้ได้อย่างนี้นะการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่แม้ว่าพระองค์จะทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้มากมายแต่เมื่อย่นเข้าแล้วก็ เมื่อทําจิตใจให้สงบระงับเจริญปัญญาเกิดขึ้นเมื่อทําได้อย่างนี้บรรดาคุณธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอันเป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นแนวทางปฏิบัติด้น น, น, น่ะมันก็มารวมอยู่ที่จิตสงบเนี่ยหมดเลยเมื่อรวมอยู่ที่ปัญญานี่แหละวันนี้นะอันเมื่อบุคคลไม่ ทำใจให้สงบได้ปัญญาไม่เกิดคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะไม่รู้ น, นั่นเองเพราะไม่ได้ทำอุบายแอบคลายในใจอย่างนั้นใด้พากันเข้าใจเมื่อเราทำใจนี้ไม่ได้เราก็ไม่ได้สักอย่างเลยบุญกุศลก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจึงใช้กายทำใช้วาจาพูดจึงสำเร็จเป็นบุญและบาปได้นี่นะเพราะฉะนั้นอ่ะให้เพิ่งพากันเข้าใจให้ทีท่วนไอ้บางคนก็รวบรัดตัดตอนเนื้อทางปธิบัติไม่เป็น อย่างนี้แล้วก็มันก้าวหน้าไปไม่ได้การปฏิบัตินะต้องรู้จักรวบรัดตัดตอนลงไปทำจิตใจให้เป็นหนึ่งลงให้ได้ข้อนี้สำคัญมากทีเดียวฮะยิงอยในขั้นต้นเราต้องบำเพ็ญคุณธรรมหลายอย่างแหละให้เกิดขึ้นในใจทีนี้เมื่อเรา ชินต่อคุณธรรมานั้นแล้วจิตใจมันก็สงบลงน ะ, ะนั่นแหละเมื่อจิตใจสงบลงแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องไปวิตกวิจารคุณธรรมต่างๆอันนั้นมากมายแล้ววะนี่เพราะว่าการรู้ทรรมเห็นธ ร, รมก็จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่แหละ ตรงนี้เองนะจุดมุ่งหมายนะในที่เมื่อเราทำความเพียรละกิเลสตันาให้มันเบาบางอุปจากรกิจใจโดยอุบายวิธีอย่างไรเราก็จําอุบายวิธีอันนั้นไว้แล้วก็ขัดปฏิบัติไปตามแนวนั้นเช่นนี้เมื่อมันละกิเลสได้มันก็ใช่ได้แม้จะไม่มีความรู้กว้างขงวางก็าตาม ขอให้ลักกิเลสให้มันได้น่ะเป็นพอแล้วดังนั้นให้พากันเข้าใจเราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องรู้ความมุ่งหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้เราปฏิบัติตามนั่นนะเพื่อให้เราเป็นอย่างไร นี่นะทุกคนต้องพิจารณาให้รู้ความหมายอย่างที่ว่านั่นนะความหมายอย่างที่ว่านั่นก็คือว่าเพื่อให้ละกิเลสในหัวใจเนี่ให้หมดไปสิ้นไปบรรดาเรียนทำทั้งหลายฟังทำอยู่บ่อยๆก็ดีก็เพื่อให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาแล้วสอนจิตที่ให้ละกิเลส อันใดที่ยังคลองอยู่ในจิตใจก็เพียนพยายามสอนใจให้ละกิเลสอันนั้นให้มันเบาบางไปให้มันออนกำลังลงอย่สาไปสะสมให้มันหนาแน่นขึ้ น, นความหมายเนะี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเรามีอุบายสอนใจให้ละมันใด แต่ละครั้งอย่างนี้นะใจมันก็จะรวมลงสงบเป็นหนึ่งลงไปนื่อว่าเราได้กำลังใจขั้นหนึ่งแล้วนี้น่ะถ้าเราพากัพากผาคเพียรพยายามไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าไงกำลังใจมันก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะกำลังสมาธิเข้มแข็งขึ้นแล้วกำกำลังปัญญาก็ ย้อมบางเกิดขึ้นตามกันไปนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อละอากุศลธรรมนั่นก็หมายเอาการอบรมจิตใจให้โน้มไปให้พอใจไปในทางศีลธรรม ทางบุญกุศลให้มากไว้เมื่อใจน้อมไปทางบุญกุศลมากแล้วมันก็ทิ้งทางบาปอืมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของบาปกรรมเวรภัยต่างๆเหล่ า, านั้นแล้วมันก็ปล่อยทิ้งนะมันเห็นได้ปัญญาแล้วนี่ว่าบาปกรร ม, มนั้มเป็นสเส ด, ด็จจงไรต่อชีวิต มันนำใหช้ชีวิตนี้ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะมันพิจารณาด้วยปัญญานะมันเห็นได้นะถ้าคนไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วตัญหาที่มันคอยขัดจัดคอยขัดขวางอะม่ให้เราดำเนินไปในทางที่ถูกต้องอืม ไ ม, ไม่ให้เราดำหลีบไปในทางที่ทําจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งมันไม่ชอบร้ายกิเลสสมานทั้งหลายเนะี่ยถ้าเราภาคภูมิพยายามจะทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่างนี่้มันก็แทรกขึ้นมาทันทีแหละทําให้จิตใจท้อแท้อ่อนแออืมทําให้จิตใจไม่มีกําลังที่จะ ปฏิบัติธรรมต่อไปอกิเลสนะ้ะมันทำให้ใจท้อแท้นะทำให้เกียร์คล า, า, านง่วงเหงาเหายนอนถ้ามันเกิด ง, ง่วงเหงาเหายนอนมาแล้วอ่อนพับไปเลยกายก็อ่อนจิตก็อ่อนตั้งขึ้นก็ไม่ได้นี่แสดงว่าคนนั้นตกอยู่เนยเป็นธาสแห่งความหลับกมนอนเพราะฉะนั้นเราต้องสู้มัน ไอ้ความหลับความนอนนี่นะถ้าไม่สู้มันแล้วนะ่ะมันไม่ได้เลยมันยิ่งสะสมกําลังมากเข้าไปมันยิ่งครอบงํากายครอบงําจิตนี้ให้เฉยช้าอ่อนแอไปเลยมันไม่ต้องการยังให้คิดลึกพิจารณาอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้คิดลึกพิจารณาเหตุผลอย่างชีวิตต่างๆแล้ว จิตใจนี่มันจะหลุดพ้นไปจากเงื่อมมือของตัณหาอาวิชชาดังนั้นมันจึงหน่วงเหนี่ยวไวมันจึงแสดงอิทธิปฏิหารออกมาคนเราไม่รู้อิทธิปฏิหารของมานจึงไม่สู้กับมันยอมแพ้มันไปแต่เนื่อนๆ เ, เลยทีเดียวะ ผู้มีปัญญาทั้งหลายเท่านั้นแหละท่านจึงไม่มีถอยสู้กับมารนนะ่ะแม่มันจะง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้ก็สู้ไม่มีถอยเพราะว่าใจสู้ซะอย่างเดียวแล้วเอาชนะได้เลยน้อยก็หายง่วงแล้วเมื่อใจตั้งขึ้นได้แล้วนะอย่างนี้แหละ เช่นอย่างฟังธรรมะอยู่เดี๋ยวเนี้ยหันผู้ใดยังนั่งหลับได้อยู่แล้วก็นับว่าอาภัพเต็มทีนี่พอเสียงธรรมะมันดังเข้าไปใส่รูหูทุกคนเลยดังนั้นเราต้องฝึกใจนี่ให้เบิกบานรับเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ได้ อย่าไปเมินเฉยอย่าไปเบื่อไนถ้าเบื่อาดธรรมะแล้วชีวิตนี้ย่อมเหมือนว่าที่สายขาดอยู่บนอากาศนั่นแหละมันก็ลอยคว้างไปมาแล้วก็ตกลงตกลงหัวพื้นแผ่น ด, ดินของเกาอย่างนี้แหละบุคคลผู้ที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใส ในธรรมะคำสอนของพระเทเจ้าไม่ควบคุมจิตใจไม่ทำความพอใจยินดีอยู่ในธรรมะไปยินดีอยู่ในทางอาธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นอย่างนี้นะมันก็ขาดจากกุศล